พรไปดูเพิ่เนอะเพราะภายในเพราะต้นไม้เหล่านี้ออกไปจากเท่าไหร่นะฮะหลวงปู่รู้ดิมันออกไปจากไหนออกไปจากไหนหลวงปู่รูดิ <c oughs> ผู้โจทย์ต้องโจทยมใมูลรักแห่งมูลนั่นสามอย่างด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกและเชื่อว่าตามเป็นจริง ด, ด้วยสองใหจทังเที่ยวข้อประพฤตไปดีเรียกว่าโจทย์ในมูลแล้วเรานั้นเรียกว่าโจทย์นั่นมีมูลโจกย์ไหมนั่ง สเตกิดขาอเต้คิดข า, ดาแก้ไขไม่ได้เต้สเตกิดขาแก้ไขได้แก้ไขไม่ไ ด, ไได้เหมือนกับบุคคลผู้ถูกตัดคอถูกไหมนะแล้วพูดอังนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาเนี้ยพอแล้วเขานี้ยพอแล้วพูดอยงนี้เข้าใจนี่แหละทีนี้ผู้ไปสืบถามผู้ผู้ไปสืบถาม ไายสวนเองพึงถามปีเรือนวันเวลาจงถามถึงฐานะที่ ท, ทิที่ทําและที่ชื่อผู้บอกเรื่องเหตุที่บอกให้ประกอบกับการในสถานที่ผู้จะพิกเจรณาคาดีต้องรู้เรื่องของคดีที่มันเกิดมาด้วยวิธีไหนเข้าใจไหมถูกไห ม, ไหมนั่งต้องผู้พิจารณาความต้องเห็นแก่ทำแก่ภายใ น, ในเห็นแก่ความสงบในเบ้างหน้าอย่าเห็นแก่อา m i ต h ใช่ไหม นั่งในพระมไนยของเรามีอยู่แล้วพระมไนยของ พ, อพอระพระแต่ละวันละ ว, วันถูกฟ้องกันระพื้นตะพือทีนี่ความที่สงสมควิให้แก่พระหรัตถ์วเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะให้ใครโจทก์ท่านโดยอาวัตเรียกสติวิใ น, ในพระจําเลยเป็นพระหัต์ไม่สมท่าจาเลยที่จะทําการละเมิดตามที่ตัวกล่าวหา สวกรรมมาวาจารย์ไว้ให้สติวินัยแล้วยกฟ้องของโัวเสียกัสพาพปยกิจกรรมกรรมเพิ่มโทษแก่ที่ถูกผู้ประพฤติรามกให้การกลับไปกลับมาพูดถลาสใายข้อก็เกินที่ถูกสักสามพูดมุสาซึ่งหน้าทีนี้พยานแข้งพยานเทศเมันฟ้องยา ในทางพุทธศาสนามันกับเท็จกันจริงมันกับจริงมันเท็มันจริงฟ้องมันได้ั้ำนอเขามันฟ้องมันเองถูกไหมนี่จงเลยต้องให้การตามเป็นจริงไม่คุนคือจาเลยผู้ชมก็หวังดีต่อพระธรรมวินัยต่อชาติประเทศชาติบ้านเมืองแล้ธรรมวินัยในเบืองหน้าไม่หวังเอาไ้เอาชนะ ถูกไห ม, มนีถ้าจำเลยเป็นผู้ประมาอยาก็ปขู่เนอ้ อ, อกระบรมศาสดาเดี๋ยวจะให้การไม่ตรงตรงทำให้ร่าเริงให้บันเทิงใจให้คุณนั่นให้การตามเป็นจริงเนอ้ออย่าไปประมาเนอ้อเราดูสีหน้าของเขาเราก็รู้จักถ้าเป็นผู้โลดโผลมากก็ต้องขู่นั่นเอ เคยกูเขามั่กันนะถูกหมกูถูกไหมเอาวินัยมุกเร่มสาม ไ, ไปดูเนอเพื่อประกอบเนอะวิวาทาติกรกับปนัวาทาธิกรครัอบอาปาตาติกรกับนิฆะะเพื่อประกอบประกพรดูเขา ว, ว, ว, วินัยเขาว่านั ก, นกทําเอกเพราะสําคัญ เท่าความเพียรสิ่งในดๆก็เท่บกันอยู่ที่กับเจตนารักของพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่ว่าอาการที่คุณคุณจะต้องอามัดเหล่านี้ของอย่างต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าทีนี้จะเป็นดาบัดหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วถึนทํานงหนึ่งต้องด้วยสงสารมากวนในของเสียมากวนหนึ่งต้องด้วยสงสารไม่ควรในของเสียควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งต้องด้วยไม่รมู้ไม่ไม่ละอายนั่นยาบมาก พวกทำผิด ก, ก, ก, ก็เหมือนกันทำผิดก็เจตนาหยาบมากไหนแค้นผู้เขาฆ่าคนตายเขาแก้งฆ่าจริงๆเขาก็เพิ่เจตนาเขาบอกว่าไม่มีเจตนาครับถ้าว่าเจตนาก็ตอกติคุ์มากถูกไหมนะแต่พเพรายังไงแก้ไม่ได้แก้เขาเรียกว่าแก้อยู่เหมือนกันทีนี้คดีในโรงในศานมันหมด จบกเกียนเป็นเนอะผลของกรรมจบหมดจบกเกษียนอะไเป็นตามไปถึงชาติก้าวสูงเขาเนี่ยานที่ยนายกลับมาล้างอีกแล้วเอาหนุงสือะเขพูดภาษาพ <c oughs> ิาีสานม่เข้าใจกัน เดี๋ยวจะกาวตัวว่าไม่รู้ว่าสุนทรีสุนพระอะไรล็อปู่ล็กตาพี่บ่าอะไ ร, ร, ร, ะไรเดี๋ยวพูด <c oughs> ค, นคนละเล่มคนละเล่มแจกให้กันอคนละเล่ม <c oughs> พอเราหรือยังเดี๋ยวยังเล่มใหญ่เล่มใหญ่เล่มใอ๋อเล่มใหญ่ะะา น, าานาี้อ๋อสัพพะชนังธรรมะชนังชิงอาติให้อะไรเป็นทานก็ไปให้ทําเป็นทานไม่ชอบให้ทำเป็นทา น, าาท น, ทานอา๋อเดี๋ยวเดี๋ยนี่กี่คนห้าคนห้า <c oughs> ออ ไปเย น, ปปนี่เอามาให้พระนี่แกต้องซื้อกันที่นี่เอามาให้พระอีกนี่พระ ส, สีองาเอาไปเสูงเนาะเอาไปฮินพระเนาพระเอาซือมาแกพวกนี้ฮะนี่ครพ้ระท่นไหนซีเมื่อคืนไเอา พขปัสสาวะมันออกดอกอสันต๊ที่หลังเรามรรคพวกนี้ดอกสเาหลอ่อเคื่อต๊มมาเหันนี่ต๊มต๊ที่หลังเาหอกโต๊มาจะพนพันที่ยแต่จะแปลงนต๊มรรก่อนมันนี่ภาวนาไปคเหอเดินอากาศพูนลผู้อื่นสั้างรัสเซียเทียงให้เขาถูกเพื่นว่าว่าโตะ เข้ามาข้ออะไรผมมีิจากความคิดองมก็สองสามที่คิดตเ้าไปแบพวกพห่อ้กว่าคิิด่ตองะมทีนอินเดีเข้ามามันทเอาจิตไปพเนี้พ่านได้รือเป็นคนอันสี่เป็นตัพันแน่อร่อยแนวแพนแน่อเขาบอกว่าที่อไปพเนีย่านนได้เลยนะเจะปล่อยยกขก้นพันเขามาปล่อยมันก็รับไปแล้วคือรอพัดเท่านี่แหะเขามาสมุูรปล่อยมันกมันก็พัดไปแล้ว คือควบนุควบคิดอย่างหาบอสวามปล่อยนันมันก็ดับไปเ ป, ไป็นั้ขั้อยู่ใว่างเลยนะเาก็ต้องพีนี่่าตามเ็นจริงนี่ยถาภูตังส ม, มปัญญาธาตุังธาตุพังหลายรง้ตามมันจริงเกิด ส, สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะแปลปวนสิ่งนั้นจะดับไปอะไควบนุควบคิดถ้าคูอยู่เดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นไปได้แปลปวนไปดับไปเป็นข้มขัา พ, พูที่เจ้ากระสอนให้รู้ตามมันจริงให้ว่างปล่อยตามเปนจริงไว้นนสี่งในห้ามจะหอบมือว่างนี่มากด้ไรกว่ามันล่วงไปแล้วห้ามเอาเดี มึองเพิ่นเายท่าเดียยวนี่เาเอาใส่รถไฟไปขายเต็มนมืนอกล่าไปแล้วกระดับไปคุข้มคู่ข้ามคู่ข้ามก็บ่กแม่สายว่ามันมคนเพิ่มคูข้ามคูข้ามคู่ข้าดับไปด้ไปในองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนในในร้อยรูปามนจริงยังที่นี่่าเป็นเทไปกอาดเลยว่าเป็นเทเอาไปผูกไปว่าเป็นเทเอาไปขายได้เวเนี่ยว่าเป็นเทปไปใส่รถไฟไปขายได้เดียวเนี่ยวนเทไปใส่รถยนต์ไปขายได้เดียวเนี่ยเข้าเอาเข้าเนื้อเข้าเขียนัท่าเดียวเดียวนี่ยตัวเนื้อขืนเดียวนี้มันกระดับเดียวนี้ เขานึกนเขาจังวอะพาเขาว่ากวกเขามันก็ล้วงปรลาดคือกันคือว่าได้แนี่คนละวจังหวาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่สังขารเกิดขึ้นที่ไหนสัานการก็ดับไปที่นั่นกระเพาควนไปในที่นั่นก็ับไปในที่นั่นให้เขาเห็นดวงสีแล้วเข้ามาอะไรทีว่าได้ต่คือกันเขาคือกันว่ะแต่ถึงเมื่อภากันมเน่ยสังขารททางไหนถึงเมื่อภากันหมดอันนี้จะตาความเเทียงทุกตาความนทุกอนัตาความเนคนไม่ใช่ตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือพ นี่มาควบป่าตัวเดียวน่ะนี่นี่นี่นี่อันนี้จังนี่ทุกครั้งนี่อนัตตาสมมติเราไยยามเป็นสามภาคกวนเถอะ้ามันป่าตัวเดียวกันท่านนี่อันนี้เข้านี่มันเท้งหัวมาเนี่ยนี่เข้ามาจับเจ้าหัวมาท่านี่ไอเป็นจริงเข้ามาจับเั้าหัวมมันก็ถือป่าตัวนี้คือกันนะหรือเขาจับสงขารมันกระถือป่าตัวเดียวกันคือกันเฮ้จัดะคับต่างหากเขาเห็นอันนี้จังเเห็นทุกครั้งเห็นอนัตตาเ้กัน ว่ามันเป็นปลาตัวเดียวเป็นก่อนอันเดียวกันนเสียอ้นครับคือเขาเห็นหนังก็เห็นเนื้อเห็นกระดูกขึคือกันนี่มันเกิดวามคันนี่ยจะว่างได้สนเขาเห็นหน้าเขาเห็นตากันคือกันเะ็นจมูกกันคือกันจะว่างได้ันเนี่ยเลาเข้าใจที่ว่านี่สันนี่มันไเป็นสันปัญญาได้เนี่ยปัญญาอบรงสมาธิได้สันเนี่ยมันสันสมาธิล้วนๆเนี่ยสันปัญญาได้เนี่ยเขาเอาประเสริฐปวดเปิงสิถือว่าเขาประเสริฐก็เพรดสิมันแห้งไปเป็ไงได้เนี่เออมันแห้งบ่เห็นแห้งบ่เห็นเป อันนัดตายอันนัดอันนัดทิฏฐีมาะเพิ่มมาละทิฏฐิน่นละสั่งนะอันนี้ว่านเขาเาถือมาแล้วอันนู้เนี้ยมออกว่ะหรือไงคนีสิไงก็ือความ <killing> มด้ถึงมืแยกออกคดมก็สบายดีที่ความมดข้อนีัยกคนีสิไงก็คิดหนตจิตก็เปนคเี่ย ใจก็สกามารใจไม่ใช่แต่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานอปัสสนาทําที่เป็นกนุศลหรือกุศลที่มาเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทําก็สกามารถทำไม่ใช่แต่บุคคลตัวตนเราเขาอืมเห็นอี่สั้นจรงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน่ะขันพุทเห็นอย่างสั้นจะอ่อนเงินไดนมาปฏิบัติว่ามาปฏิเสธเร้เป็น เป็นเลาเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยก็สิว่ามันใช่เลาไม่ใช่ของเรากลายเป็นภาษาว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นกายาในเวทนาเวทนาคือสุทุกข์แล้วมัสุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนาเ็นภาษาว่าเวทนาไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนเราเขาใจก็เป็นภาษาว่าใจไม่ใช่ใจบุคคลตัวตนเราเขาธรรมก็เป็นภาษาว่าธรรมไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเหตุที่ท่านเขาจึงมีเงินปฏิเสธว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะเอาไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเรามาจากกุตูรัสสันขันสัน ซัดป๋าห่อแจงป๋าหน่นหแจงบ๋แงเราป๋าหน่อนั่เพิ่งก็บ่๋าแห้เอายังป๋ให้ว่างยังปัาหน่อ้าวเขียหน้ากับพลบเนี่ี่วาอะมันลบๆบมันก็มาจกเสียเสียมันก็มาจากลบเสียมันก็มาจากได้ได้มันก็มาจากเสียเกิดแก่เก็บตายแก่เก็บตายมันก็มาจากเกิดวัน กันเท้ า, าอ้าเล่าบะมีไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเล่าหรอกฮะเหพิบัตมาที่ไซม์มะอุ่นก็รอเขาเดียวเสร็สิเขาสั่งกัอนแล้วมันก็นไม่เราไม่เขาที่สั่งมันไซม์อุ่นก็รอเดียวไม่้นเขาสั่งน่นก็พี่แกน่าโทษตวดเมืองได้หระพ่ออันเมื่อกี้เขาต๊บ่อเราพอว่าหลายปีลแล้วเหตตเขากขาโตะวดเท่าดอกไม่ได้เท้าภาวนาเชงสิเท้าไปเห็นผู้ใดเทาเพ่งทวดบัตนั่นขุนโมนีวะซักูขุนโมนีวะซัมกูหลดเนี่น เวลามันเรืกกงวเพี้ยนมากค่ะก่ะมันเป็นแั่สันนี่คเมื่อกี้กูไปเบิ้งมันไหนกไปแต่เรื่องสายจักบอนภาวนาว่าคือกูมันก็ไปแล้วนั่นรลเนี่ยเขาเดือดถึงมาพวกนีงแล้วนี่ต๊ลงเลยประภ้าบาทไปเที่ยวแค้งควบลูกกับพนเอาไปเอามากะถึงพาพาดปลาแชงสิริักดนั่งสโตเหท่ามจเสียหอ่ามันมันเห็นเป็นสันหลายเลยได้เขาเข้าใจบง โน้ตันตัวรับฟังรับพี่กันหน้าห้องกัจยขายูแล้วันตที่ว่าเป็นคู่มาเอกห้องห้องกับวิจัขายูคได้สีแหงเนาะคติปติก็ับเขานี่้วสันันตที่เอา่สันห้องของวจัยขายูแล้วกันตที่ว่าสีรับฟังสีรับพี่กัหน้าเพิ่นเพิ่นหออไรก็ได้สียังสีพุัดสินป์้เพิ่น ที่ได้ก็โตวัตดทัศน์ศิลนะพันธ์ดีก็โตขอรับฟังขอรับพี่จนันนาเอาเหตุผลเป็นประมาณหรือวา่าเพ่ยงเพียรถือว่าถือว่าเพิ่นบังคับให้ตัวเสื้อถือว่าห้าอยู่นี่ถือว่าห้าบังคับให้เสื้อห้าองค์สิตโตก็บว่าสะดวกเท่ากันโตัวกับมิจิชต้องให้ตมวมิจิชพี่จนันนาบ่ให้มิจิชเอากโกดมากควงหนาว่ามันให้มิจิชเอาเวน่นอาไพ่มากควงหนาให้มิจิชพี่จันนาตามเป็นจริงเท่นั้นนี่เอาวัน ามีพกจาตาเป็นจริงได้เดือเนี่ยทุกเรงทุกอย่างว่ามันเท่าสิเอาโกดเอาเขียบไปพระนิพพานได้เดือดเนี่ยว่ามันเ่าสิเอาั้วพัดของไรพรนิพพานได้เดือเนี่ยอสันวเ่าเอาข้วพีจะหนาตาเป็นจริงได้เนี่ยมันจริงด้วยซไหนเทาสิเอาสันได้เดือเนี่ยแมงโลสันท่เนีนั่งถึงว่าแะไรลูกหลานเลยอันนี้เขาถือว่าอลไพแหงอะไรอูกผูเขาห้แยงเทกัน เขาวาแต่พูเก็บพ ง, ง้ามือนึงพี่นะนเม็ดไม่ใช่เร้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เร้าไม่ใช่ของเราเลาให ม, ม่ีของเราไหม่มีมีเจ้ของทุกของเรามันถึมีไม่ใส่ใันพี่หน้าพรอมก็ลงมาจัดคอไปเห็นลงผู้บมันม้ยืนเจี่งสว่างออกบัดวัดวัดในพูเกเจ็บพงหนาเจี ง, งสว่างออกบัดลงผูหมันยืนให้ท่า้อยู่ ยืนป็นภาษาห้องให้ดสจเสร็จหมกล้กูเท่าเดืนนี้เลยพยามพ่อรถปูมาตัวนี้ว่าไปหารถปูก็น้าว่าเมอวานพ่อขได้จไปยังไงเนาะยังห่อไปหาะต่อห่อคุกเข่าได้คนห่อไปสูงๆมันสมาได้แต่มันถ่วงหัวไปนิดห่เาได้ห่มากหาะขุกเข้ามากคุ ห้มันวิต really? ดินกพเพียงนี่แะให้มันวิตวิตดินเพี้ยศอกนึ่งนี่เพียงเพียงคืบนึ่งนี่ไหมวิตดินคอยเทียบไปน้ำยามือนกไปสิมือนกไปสิภูเขาไปสิห้อไปคอยหอไปนี่หอไปบักเกอรใต้เพื่อนน่ะคอยป่งเหาะลงป่งเหะลงกับใช้กับขี้ดินอย่างนี้หนาวัน ท่านจะเพียนยามอะไเพี่ยนหมอยยามยามอันนี้เหรพ่อแม่ผู้จารยเจ้าบ้านเอาฟือเข้าหน่อยจะเพี้ยนใหยามพอแม่ขันเพี้ยนแล้วพอแม่ผู้จาที่ใส่ใจแ้าอันนี้มอามใม่ห้องคอยขอน่อยเฉพาะเข้ามันอะไ่างเงี้ยท่านบเี่ยน้าจะไปด้เลย คนไหนยนี้ว่าข้าวม้าเนี่สืม้าเนยยามไปสองสกงเก้าหายสวเร็บไปข้างย่างเขาว่องดูฮะเขาว้องหองเขาว่เนื้อนุ่มมากอย่งอยู่ดีจักมาย่ามไรเอาบาะย่างเปลี่ยนหมอนอออกเดินดูคนออกขาดพวงเขารบบอสันโดดเพราะย่ามอันนี้คือเยานน้องู้เนวแล้เพราะไม่เอผู้จางหยเยาวันน้องผู้เลวเขาเีย่เปลี่ยนหม มาจัดกะรมาตัววเพี่นเท่ากัจะไปถ้าโค ก, กอยนี่โกกอยพังงานเจ้าเขามามมันจะม า, าวัด้ายนี่มันเยกกกอก็คือะอนย่างสอามบาทไปเเลยหายตัวเรียกไปเท่ากัพะวงนูนี่ล่ะมาต่าหรือออกข้านมาาออันตาเขาเลหู ง, ง่าเกินมากหู ง, ง่าเกินมา มาเห็นลมหายใจเนี่ยมาแช่ราไม่ใช่ของเรามาแช่เราใจของเราเราม่มีของห้องม่มีมีแต่กองถุกมาแชเราไม่ใช่ของเราผมก็ลห้ใจเขาออกดูเหมือนที่เข้าเขาไปเดิมอันี้ใหนทิศทางเเลยปล่อยปล่อยโอ้เข้าไปจไหนบัดออกมากต้องาเห็นกันเลยเขาไัวขานี้เพราะมันที่เราเข้าชุาอันนี้มือรุดมางกูจะไปกราบเรียนหัวเทิก็น้า ในประกาศเรื่อง้มพ네ูเทตบอกต่วนต่นตายังี่ะในสมัยนั้นก็มก็มันถืเป็นทั้งสันเทียงอันเดียกันขึ้นขึ้นเทียงกันลุงลมพูเทตพนบเบื่เที่ยงเข้าไปหรอหมวดมู่งเนี่เทียงกันขววัดทังหานี่หวานข้าวเอาลงในฮะผ่นมัดบ่ได้บ่ได้ใส่ก็บ่ได้ชดสอมบ่ได้ชดสอดหวานข้าวเนี่นมัดเอาแบบบบ้องพือนไปใช เอาแบบ้านลงผือเอาแบบอยู่นัานมัล้งผู้มันสี่พัญษาองไปใส่พ่อล้งผู้มันตายของวัมหานุษยเอาขอวัดลปูิมหนึ่งเพทิม่าัึะว่าที่ในมื่คุ้ขวัญคนจัดสรรนมตะกอนข้าไปเป็นเท่าบาทขวัญก็เอามาให้เอามาให้เป็นเรื่องของเขาห้องประธานกับเป็นเรื่องของเขาเหมือนันก็ได้มาจากโงกันมาแล้วนแต่ขางโมพิสกันเนาะเพาะมึอแรกมาห้องก็สนใจแบบไงละสนใจอะไรเลยเพราะว่าน้านอนเพราว่าน้าม ในเช้ามาจากของเรางเขาเริ่มมาจอไปจากเห็นจังหวะเนี่ยได้ประกาศตู่นลง้งภูมันล้มภูเทนล้มภูเทนได้ถาม่าท่านได้คว อ, ควา ม, คอมาทางไหนมู่ฟังนุตุบอยู่ดีวข้อมองทักมมนคือท่าลงมาทั้งนี้ขวัดปฏิบัติเี่าเกยเห็ดอยู่บ้านหนองผืนคำคัดของมู่ายท่านจะเปรียนเป็นบางซึ่งบางยาง ใครท่านเปลี่ยนเธอเด้อเขาจะครเขาวาจังสั่นเห็ุนั้นขันจังว่าบอกมาเปลี่ยนยามแล้วจ้ะจังพ่อยอายามไห้วาอืมยามก็ไม่ามเพพ่อแม่ผู้จาร์อันนี้ก็าไม่ท้องพ่อแม่ผู้จาร์ของนอยไม่ยอมเปลี่ยนหรอวะใครเขาวามาทดสอบเนี่ยมันมันสืบข่าววัดมันซ้ำไหนใครเขาวามาทดสอบจังสั่นเหรวะสั่นอืมเขานอยเขาจไปยังสี่ได้เหรอวฉันเมื่อว่าเปลี่ยนนี่ทีทวนก็เลยหายตัวนี้ไปเส้นสองเทียววะเขาเห็นครูเห็นเขียนอย่างเลยเหรว่เขาหน่อยเขาจะไปยังสี่แค่้ืบๆะ หัวกะกะกะเะข้างใหลวงพรเศคำนั้นเขาแก่เข้าพอแก่คือโตตก็แก่เก่นี่่มือี้เขาพาเราเหมือนเดละสังขันเท่านั้นะังขันละเอียดเข้าจิดเข้าละเอียดไปเท่านั้นังันละเอียดไปเท่านั้นละเฮ้ยเากััววเาประเสริฐ่อล่าไม้าเน่มันทะนุงตัวบานนี้ไปว่าบรุเล่บบ้านนี่ถาโตพรวนาเขเป็นยังเพราะว่าเนี่ยคือเขาเ้าเรื่องเขาเหะทะลุพวกเขาน่ะ ท่านอ right? ังกฤษเอเออเอาอังสางของตัวเป็นเชื่อตัวของอังกฤษแล้วก็ห้องของว่าเสียเน้่ของตวภาว่าเปลนีเืตัวกฤเนี่ยะเหาะทะลุวกเขาเหาะเลุพภูเขาสอดจงพงอันทะลุภูเขาเนี่ยมันมันมันจเอาหัวนี่ไปส้นกีหินแเขาสักได้่ามันแสงสว่างมันสอดตงโพงแบบคนเขาหอไปนั่แสงสว่างเั็นได้วะสอดภูเขาทะลุคนวา ปัญหาเนยมเยนกบเสียเ่ยโวตรเปลียนว่าเสีนี่เขาว่าสิแล้วแต่เรื่งกาเ่องอากาศ่นก็มี่เดือนที่กรมเั่องอากาศฝนก็มี่เมันกลังกระชอนเรามับยมีพูดิดข้อกับโปวดรองน่คือเกาหันเราว่าอันม้นนี่ยมันมันเสียออกไปพระิพพานว่าอานาจของบุญในสั้นนี่ยังเกิดยังรับเป็นอยู่อ่เขาอว่าสิตัไปเห็นนาดียวิเศษหรอกไห่ ให้สมมตน้ำตัวเขาตัวปฏิคู่หมายว่าพืนวันนิมิตเี่ยพ้นบออธิบายว่านะ น, นี่มีกับไปเอาคู่หมายนี่เข้าขหมายเลยหันใน ด, เดยยีเลยเข้าหมายเลยบนแสงสว่างเนี่ย ม, มันนิมิตกสั่งเ้หยเลยเขาพุทธเจ้าวติย์ยังไนิมิตเนี่ยว่าพื้นนิมิตกับติย์ยังไงนิมิตี่พุทธเจ้าผู้พ้นทุนมาแล้ว่าพื้นนิมิตกับวติย์นิมิตกพืกระสวนกับอไรที่เกี่ยกระสวนสิวะั น, นสันก็บอกตามส ม, มุดนว่านะมูอห้อง ขันเห็นอะไรได้ก hmm. ว mm ่าวว่าแกโตสลัดแห้งสนกโตขึ้นจนตัวฮะเนี่มาหนาทิถีวกับพ่อฟ้าทนี่ยคือพิเศกับ่ฟังกันตัวฮะนี่ยขันเห็นก็ถามเนี่ยพวกนี้มอสพาวนาเน่ยมากวดเจ้กูว่าตัวอะไรนี่มอสทิถีวกันไงวะเนี่ยเขาพาวนาเขากระตืห้องอะไรเทานี้นองห่ดอ่ะก็พวกทีเจ้าเคยเฮ็ดแล้วเห็นคนมาแลนเ์ขาบปลาทุกขากริยาเพิ่นทุกขากริยาเพิ่นเห็นคนมาแลนดขับปลาบ่จะกวนน้ำ ขึ้นไปทุกูงมดพวกอสูงมดเราได้เห็นแล้วทุกการกิริยามันว่าถือ่าพวกพัฒวัคคีน่ะพวกพรชุพัฒวคีน่ะปีนี้จาพรรษาวเ่ยปีนี้จพรรษาน่ไผดีก็ต้องดีไผ่บ really ่ดีก็บ่ดีเรื่องของพผ่เาหนึ่งจะถามกันแน่ตอนละพรรษาวะเนี่ยวมาฝากก็มอกันเนยไ้ ตระหนักภาษาไรตั้งกฎไว้สันพระพุทธเจ้าได้ทราบมาประสมสันอันมาประสมว่าได้ถ้ามาได้พวกเข้าสิงเจริญก็ต้องศึกษากันว่ามันควมต่ำกับควบสูงสันยั่วน้ำกันบัปากบัวว่าน้ากันคือย่างไหันแต่แย่ๆมันเกิดชวนสันก็มีข้อเสียด้วยสันสินักสิม้บัวปากสัก็มีแต่ขวาวัดพวกฏิภาษสงฆ์ขันขวาวัดพระพุทธศาสนาไม่ได้เัน ศาสนาเาสิจะเริญเพราะเตือนพระสักพระเตือนกันแพี่หมูสอง้องหหนึ่งวะสันสส้นาาัธรรมาสต า, าสาถึนงนี่อย่างวะันขัดแห้าม่ให้ปากมันสำเร็จพราะรคันวะสันังบอกข้ปากถึกมาะันพนวัเจ้ามาบวชวะสจ้นพระพุทธเจ้าห้ามห้ามาห้ามหามห่มได้วะั้นมีตเพื่อกันว่าอันไม่เวหน้าวันเรา่ ม, า ม, มพูดพูดพดรพือตเนี่ยตก็เลยทะล ต, ว, ต ว, ว่าตเป็นคนเก่งกูมงยังเนี่ยสำนักนั้นมันก็เลยโมโหีะ มันมีแต่เนียแม่นมดเาเดียวนี่แม่นบอกเออพวกมนี่ยุ่กินแล้วมือแล้วเว้นซื้อมีตั้งแต่เล่าอดอาหารผู้เดียวเลยก็ด้เกิดบ้านที่ี่คือเตัวเรานี่ยแม่นบอนันเว้ยมื่กี้จับได้ทั้งนั้นทั้งเขาคุณละแม่บัดของข้งเคยผ่านมาแล้วขอมันนี่บมันม้าผ่านม้อเขาเคยเป็นมาแล้วเนี่ยบมันม้านี่ดีมดเดียนห้องถือมาแล้วมันนี้พันเมาถึอลูกือหานน่ ดูเอาไหนสิถ้าแพ้ต้องเอาไปได้ถ้าผ่านงวหางงูสาต้องคอยกับพึ่งข้อคอยต้องแห้งกับพึ่งค่อแห้งนั่นบอกว่าสิไปพระนิพานแล้ว่ันฉันว่าเขากังมือลบึ้นมาว่าึ้นเขาแลวอามูนิถลายว่าเขาก็ถือมาแล้วเรื่องนี้ต่ว่าถึงที่หลังเขาหรอกน้ำประพฤตแขงประพฤิเอาเฉยๆผูกพ่อพ่า ง่ามองไปเห็นในสันพระกฤษีพมผู้เห็นมือถ้าไปแท่ผู้บ่าจผย์เห็นผแห้งเดทุกสิ่งทุกอย่างข้าบ่ไดบอกมันเกิดพราาวบ่ได้บอกมันดับดอกมันเกิดเองมันดับเองมันข้ากรรูตามเนจริงเท่านั้นไม่นาทีเท่านั้นแสงสว่างข้าบอกใครมันเกิดบอกมันดับไปข้าก็บอกใมันดับบอกนี่ขันว่ามันเสร็จมันก็เกิดเองม่กาเปลีนเองมันกระดับเปลี่ยนฮะน่แม่มาสั่งค่าของเสนั่น พระพุทเจ้าสอนเนี่ยเป็นที่แท้เ่ฮะสอนในรูปธารมจริงแท้เนี่อันนั้นอันนั้นคือพัฒนาห้องปฏิกรรมคือพัฒนาเนีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นคือกัรนั้นแหละถ้าว่าไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราะถ้าสเสีกิริยาอันนี้ก็ะโดดสั่มันกิดัะเรื่องทำตัวสั่งแต่น่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราข้าวเสี่ยเอามาวุ่นมามาไหวอันนี้กระโดดก็ดีสั่งตอนี้ผู้ขาดขาดก็ได้ปะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เขาถามมสักับแม่เขาถามมอสังกัดทีอกสังต่ังขันตอนังขันตอบกัดชังขาตอังขกอัค์นี่่ว่างไดสัเพรานี่พานคือม่บอกว่าเสียงานนี่สี่บสแม่บอกังนั่งกับพี่ชนะได้เราบอกเียให้ปยุ้ยต่ในสั้นนะเหมือนก็บว่าถือเข้าใจล้วบอกฮะเนี่ยผู้ตรวจสอบผู้บาคนพ่อแม่เปนหนึ่งเี่ยพีะพอแล้วอยู่ด้วย ผู้ถัดวันจิตยังได้จิตผู้สวนสาจิตดวงเดียวฮะ น, นะ้าเอาจิตไปพนันในพัา น, น้ำบาสันบาเลี้ยวจิตขับพรยาข้าวพิฆาตถึงมันก็เป็นหนทางไปสู่พันิพนินสำคัญที่พันยาล่วมลงในจิตในปัจจุบันไม่ใช่เลาไม่ใช่ของเล่านะผู้พร้อมข้าวหน้าไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของ เ, นะเล่ า, านะเป็นครบครัวเป็นคนพิฆาตข้ามสันสูงเลาไดหระมีพัฒนาสันสูงนั่นนะวัตถิตัดมักตัดผลเนห่นะติตัดขวมสิ้นข่วมสงสัยในว่าตาสงสารในหานะ มันจะขูมแผ่นดินได้หันบาหันอ่ะมันระติดยี่บ้านอ่ะถ้าไปติดยี่บ้านมันก็เป็นทิศฐีปากไงถึงจะโตโรโกเอาไว้คัดสนะูโมขราชเธอจงพิจราโรกเป็นองศูนย์สอนอัตานุทิศถิความเห็นว่าตนเสียรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากฎมายก็อาสิะฏิเสธมาทั้งอันีทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งผู้รู้ผู้ใดเป็นผู้ยืนยันว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรากับผู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันนังยืนยันนี่มันนังใครมันนตาตีว่าใชไหมสันไม่บอกสันว่า กันอกมาลูกคือมากผีเด้อหรอมันไผเง็นเป็นผู้รู้ว่าม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแค่นี้ไผเง็นผู้ที่ปฏิเสธว่าม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแค่นี้กับผู้บ้านใครผู้บันกระตากกันแล้วอ่ะนี้นี่มันยังไม่พบไม่ทราบยอะนี่มันยมันมันยังขัดตายค้านี้มันก็ไปพบมาโลกวันเอะมันมาทานพ้นด้เนี่ยมั่านยินมีญาณวันยันนายเด้อมามีญาณว่านายวุ่ารุนเมันกับไปยิแบบหนึ่งมันกัเป็นพระหัวันเถอะเนี่ยมันท่านมีนายมีพ้นขัดตายขาทานอันเนี่ย มันมมออยู ว, ยว่ า, าี้คือคือนาจครับครับต้คือเาก็ปั่นได้มาเส้าแต่สนอแล้วมาเสาเนี่เขาก็มองเร่องนี้ ป, ปั่นตอนนีนแล้วเนี่ยเร า, าบอกพี่นะเข้าผ่านมาแล้วออันนี้รูร้านมาถือขีหลังเข้าหออันน อ, อพี่ว่านาถือแล้วรัหนึ่งยา่มาเื่อม อันนูอันเพื่อนจะไปเที่ยวเครียดไทยไมมอแม่เนีนยเขาอยู่สั้นไหนเขากาเซ็ตทางนั่นเหรอเวดอกบวชมันพวดน้ำแล้วมันไปเครียดไทยดอกก็ไตน้ำมาทันส้างอกเสีเขายืระดับใจเขาเอาระดับน้ำหลับมาเทียงนะีว่าอย่างไรฮะของนักปฏิบัติคือกันอ่าคือแม่วันนั่นแหละมันกับประเทศก็แม่ผึงนนีว่าอย่างไรสังมันกัว่าอาหารของมันดีแม่วันแม่ผึ่งมันกับว่าอาหารของมันดีอยู่เนี่ยประเทศเอามันมันกับว่ามอเนี่ยมือไก่ มันก็ว่าอาทหารคือป้องข่อยมันก็ว่าสิเาเือไหสองามือสุดตลอี่ยใมือยกันที่าิยมนพูดพระพุทธเจ้าสอนใที่น้ในสมาธิมันมือมัดขึ้นบ่อ๋ออธิยนถามนั่งอเนี่พวกเดินเรื่อน่ะเขาให้ทอดสมออย่ามดมือมันขึ้นอยู่บ่ว่าจงฟังเียบ่ การลบฟันการลบหน้าขาฟอนกันนึงเขาสอนให้เขายุลุ่มฟันหนาเดียวบ่หรือให้ออกฟอโซบ้านักมุ้ยเขาบอกให้ลูกด่าเดียวบ่ถอยกับพี่ตัวแมนบ่หนักเขาบอกให้ถอยหน้าเดียวบ่ลูกก็บพีตัวแมนบ่สั่งสั่นหนักไอพี่หน้าอันเมืองนยะเนี่ย เขาหายใจเขานะหายใจเขาออกทันนาเดียวไม่บดนะ้บะสพ้นสอนใ น, น, นกกพ้น่สอนให้องรับกระเที่ยวพ้นพ้นอันสมาธิคือคกันกัพักชวเวลาสีได้กันพพักมาโมได้กำลังแดือนพฤศจิกายนสมาธิก็มได้คือเขาพักเทียงนี่แหละลงพักเที่ยงนี่ก็ุงไปพักด้ว ป, ปานีกมาให้งานลูกมันได้เอาสมาธิผู้มีปัญญาก็จะเริ่สมาธิว่ า, าได้ผู้มีปัญญาก็ไม่มีสิทธิ ปัญญามันต้องออกหนาครูสั่นครูสั่งครูสั่นปัญญาถ้ามันสัไดก็ต้องมีปัญญาออกหนามัดที่ว่าอบรมสมาี่สมาี่อบรมปัญญาเล่าให้มันยุ่งนี่สิเลยนี่มันก็ตั้งต่างอบรมกันนั่งเนื้อเองก็ดูมันก็ต่างคนต่างอบรมกันตาหงุดหงิดกันคือกันวากันตั้งอาศัยกันอยู่คือกันวางกันอั้งมองสั่นว่าจากอันไหนอบรมอันไหนแล้วสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี ฉันทาวิทยาจิตตถววียงมังสาพอดีกรทั่งคนต่างอบรมกันนะที่วางใ น, นอนืใจกด็ดีผู้ลู ก, ก, ก, กอาาาา พ, าากาาพาาอดีผู้ลูกก็ว่าใจก็ว่าวิ่งงานก็ว่าจิดก็ว่าอันจิดเนี่ยว่าตามว่าตามภาษาบาลีวิ่งงานก็ว่าตามภาษาบาลีชวนใจนี่แปลออกาเป็นถ้ำแล้วชวนผู้ลูกแปลแปลออกเป็นขับใช้เลยผู้ลูกผู้ลูกกับจิตนก็อันเดียวกันโยกขึ้นกันนะขันไม่มีคิตก็ไม่มีผู้ลูกไม่มีผู้ลูกก็ไ่มีคิดขึ้นกันนะเล้ว แต่มไม่ยืนยันพี่กันนะเอา้าก็ควกเดียวกันนะต้องเที่ยเขาต้องมากรืว่างเลยสั น, นเอากะป๋ตีดินเนี่ยพี่วัตถุเอาเมริกาือกันตัวข่า น, าน้าไม่ปิว่าอยกข้าหน้าใต้ดินเนี่ใต้น้เนี่ยว่ามันดินบหมาะแอันเดียวกันตัวนักเข้าเห็นอนนี้จังทุกครั้งอนตากันสิว่มันเฮ้าเห็นทะลุโลกล่โลกวัตไปด้วยอันนี้จังทุกครั้งอนาตา เขาเห็นไม่ใช่เล่าไม่ใช่ของเลาอเขาเเห็นรอบโลกซึ่กันตัวาโลกไม่ใช่ของผู้ใดเกิดขึ้นได้กับแนเจ็บแต่ลาก็กวเก้าคนวนะเนี่นิมิตเป็นเล่าเราเนิมิตก่อนเขาจะชิบะเสียงเอาหนักทขาายจะเป็นอะไรัสิน่าพัาถ้าขาละเมอค่าขายาิษการค้าขายหน้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของพระสวัดวันท่านไม่ประกอบเลยและเป็นข้อห้ามของชาวโลกด้วยชาวโลกทุกมันเป็นังมันจังงูวายอยู่ คา ข, ข, ข, ขายเครืองทหารสำคัญเพราะมันสิดค่าขายพวกเมตตากรุณาเนี่ยเมตตากรุณาการถาวรห้าวันแต่เครื่องสมานสามประเทศการถาวรอัเครื่องอาเครื่องแกงนปืนอาวุธมันก็ไม่ต่างต่แต่นขาฟันนําแข็งเดือดเนื้อมันติเอาของสูงไม่ตัดตัวไรการวามันนี่ของูงห่างขาสันผู้ใดบวชนกด ไอ้ฝนเงาเขาแ บ, บ บ, บ um. um. ยดใช่ไหมบวชเนี่ยรถกระบะตัวตัมีอันบวชเพราะฉะนั้นว่าอยันเตปโตนี่บาทของท่านว่าไว้ที่นี่ไอ้ยังอันตรวาสะโกนี่ความนุ่งของท่านอันอายังอุตลาสรงโงอันี้ยข้าห่มอายังสร้างคาติเนี่ข้าสร้างขาอันนี้ดาของท่านอันนี้วิ่ทราบอกเลขของท่าน 我讲我的话嘞，啊，这大风天，啊，啊，这 Visa、卡、Coing 卖，你都讲我的话嘞，你话的没人。啊，你现在我讲你看到谁看多，然后我就上他哦，你，什么哦，塞起来，你上本来是上厨房，全部哦，不是吧？哦，你上厨房啊，你，那，那第二呢？ เขาปกกีโกกี้เกยมาเกืนรถนั่าแล้วข้อเดแน่วเลนข้าวเขียวใส่มเกิดข้าวเขียวใส่มาเกิดข้าขียวใส่มนเกิดแนวนั้นบาดฮาร์ล่งมันบอกอยู่แต่ว่กดล่องขี้งก่งมันมันมันบวมหง่อนัยนจะไปถามออกมันเ็นอะไรเลยตีอยู่แต่ไม่ตีสาวเลยเอาลุ้นมาก่อดครับ บานนเาราดก็ไม่คืนไม่คืนหรือว่าโอ้ยจะมันลวนหลายคาราดเหมืนเช่นยิมเร้าใส่รุ่สดเลยแบบนี้มันข้นเต็มรถข้นเต็มรถนั่นเขาเห็นว่าคนเต็มรถแล้วเขาก็ท่าไงเขาลุงถามไอ้แพทย์ดเขารักจะค่คนข้างพวก้ือเต็มที่เวีดนามร่นามย่อโมย่อโยาอขับรถเปิดเขาใัเนี่ยนี่ปืนเขายังตะโกนมาดังบริษั ก้อนลอยจเรี่ยเขาเต็มแนวขนาบข้นหลังเนอะกหน่อยยักใยไว้ไงบ้านจะประเทนาบูดใช่เขาไน่ะอะั่นเนี่ยเขาหมล้ถเาเรือแเขาเคาะคือขาขึ้นก็่สินเนี่ยก้อนลอยบน่กัน่ยลงแจกันแบบเนี่ยเข้าไปก็ผู้เดียวบัดป้ามัดดงน้ำใจเติมเมันถ้าเนี่ยจากตำบลนี่ต้องขั้นเลยวก็มีรถมอเตอร์ไซค์นกลดึ๊ดดึ๊ดดเปิดบอกไงมาก คนรามัยยอจะออกกอด้วยกันเลยว่ะันบัรหานั่นมากมันข่วงทางม้วมัน็่าห่อแท้มันขับรถหองนี้ซ่าสันนเราสมัยเฮฟเลยว่ะมันบึ้งเราเก็บึ้งทุกอันไนมันข้างวงมาสันมันข้างมาแล้วจะขับเป็นสันเนี่ยนี่จะเติมรถจะเนเอาเอาไอ้ซ่าเติมเอาปัญญาเติมคนเรามันเป็นเรื่องเชื้อของเราครับย่างที่สองไปเลย บ่งเหตุบ่งรรางักเียนบทเกี่ยวกีบทเกี่ยวะเออบทเกี่ยมันีอันนี้มูฮาเห็นปืนไอ้เ็กตั้งันนี่เสียหรมูฮาอืคือหมอผีน่ะเฮ้ยก็เราพูดเนี่เป็นยังไงเห็นเน่จผีว่แล้วก็เพิ่งปลูกมาใสเจ้าปโตเป็นยังว่ามันผีปโตแล้วว่าอันผีโบผีเสียบวงเกี่ยมยังในซอกไม่่ กระวอเหี้ยกรวอจะมาหมอบสองคำสามคำอุ้ยหมอบเี้ยเนี่ยที่บอ่างนั้เนาะบอกยากเนาะเราเยอะายอะสามระเดือนาเยอะาแรดอนออกปฏิบัติซ่องสามพระแท้อดอันละสองคนที <é someone> <notes> <t os> so <S <S ่เราที two, two uh, ่เก่าเปลี่ Whoa วันสัมพยังเสียวลงมาเขากำลังข่อนเขากาลังข่อนเน้อวกเรียมตีนผู้ข่าวบางคนชี้รื้อทล้วเนี่พูขาวแบบกาลังไปวินทบาทแล้วยางพานกับไปหาเขาโอ้เขากับกระดาษร่อมกันด้วยเขาเขากระดาษร่วมกันยางไปไปพ่านเขาวานจแตใเขาขอดีมื่อานี้ยางไปไกลเขาเหลกอขว่อนเอ้ยเมื้อปวกูยิ่ง ลงมาเยอะลงมาเยอะดังกาวันเขาล่ำเจริญยังลงมา ก, มากามาาไม่ออกพพพเพราะฉันโซ่สร้างภปวะว้อมันบ้าเฝ้าของอาฟินที่เอาติดต่ายะหนาวเฝ้าสั่งมันสะโรคมากจาวหน่อยสั่งเขาเลยไอเขาจะไอเขาเลยเท่าเท่าล่ำเข้าไปก็เข้าเข้าไปอน่เขาจังล่ำพวกพีฝ่ายอย่างงดหลายอะไรนีมันมาถึงเฝ้า พวกเนี่ยเขาห้าบ่ายว่าเขาลำค้าเนี่ยทำไนเล็ตการกงมากเทกันนะเขามาเรียงผียกไอวัตรกันมึงไปซ่องมึงเห็นโถ่นึกว่าเราไมออกก็ั่นโถ่นกว่าเราอกนมันท่านได้กินแลไรบ้างหอมุกตัวามอามากินหลดเลยไม่น้อยะคู่นี่เขาสั่นบ่ายมึงมึงซ่องสายมึเห็น่นกว่เราไม่ออกก็ั่อ่ ผีผีว่าเขาเอาแกะให้มันกินมันก็กินมันกันกันมอมันว่าถ้ามันกินแล้วมุสโถออกมาถึงตอนมั่นหมอซะถ้ามุถือเทพีถ้าอยากจะก้นผีเขาอยากเขาอยากให้เห็นตว่ากเขาเห็นเช่นหนึ่งผีหรือจำเปาเวศผมาแล้วมาขู่เข ตัวท่านเป็นคนเคนะดผะมูั้นพาเขาลุกโกรธเครับนขางกระเบนขาปอกขายาวพานเลยนะแขนกยาวขากยาวม้อันัคั่วยั่วน่งตาคัวรู้อันทะดึงดึงสองมือดึงรู้กันท่าว้ามันมัดน ก็พอเดินห้ามาเห็นเจ้าอยู่นว้ยเห็นตัวหัวเห็นสามเกาเก้าที่สามมาถึงห้าโล่ตาใส่รองรอยู่หัวนี่เจ้าคนว่าผีอับมาเห็นตัวว่านพุดธใจว่านเนาะน้องแต่แกล้งซี้ด้งก็ขามากก็พุทธยังไปกระโจนไ้เลยแกล้งว่านี่อ่ีหนมดีผีจนามาเห็นจั๊กเยรูทีกีจีอง นี่แหละเป็นวัฒนธรรมอยู่เปวัฒนธรมอยอันนี้มูฮ่าวเลยขอแพียรยากแยงโยมหอยเสงี่เขาพูดพอท่ามพอสงระลึกได้บุญได้แวัสดีขอหมอบกายถวยชีวิตก่าบพูดพอท่ามพอสงสเอวอมยี้มประมานจ่จ้าสาวเขาตัวมันิพานสถาะอื้นงของผู้ขายม่งเนีเอาพูดพอท่ามพสงมาเป็นสถานะ ัตนอันใในโลกะสมองวันทรงพระมระงมมมีผู้ขาเจ้าขักเสียอธิษฐานไว้อธิษฐานปมิสัปาโนสัจจาปนามิัปปะโนขออุทิศเลือทุกข์รดเถบาพระุตรพระธรรมประสงมม์ทรมงลาแห่งเยอป่วยมากค่ะหาวานหายามากินเจร้ากว่าเร้า่าเศ้ากว่ายอดตายข้าพเจ้าน้าพรโตขพเจ้าน้าพโตผู้พ่อาพุโตผู้ตายข้าพานาพรโตนี่แตเกิดพวกของโกคนนี้ พวกศาสนาอื่นเขาเล่ากันบอกกันว่าวิชาพุทธโตองคะ์วิชาพวกมารโลกอย่างนั้นอย่างนี้ยูป้าพรองค์เก่าไปวิณาบาตก็พาโน่นอานโน่นแนมือนนี้เขามาด้เศ่าเลยมันเามาด้เศราก็แล้วเขาเศ้าอกไปเขาเจ้าอยู่พระท่านเหมน้องสองข้นน้อเห้ไปแววพวกคนทีพาดสวนี่เขาบเขาบอกกันคือเปิดตะมวนแต่ว่าอะไร้าไปสร้งเดวม่อยาไปเล้เขน่อยถ้าเขาไ่เข้ารพัเขาไ่ปูที่นั่งให้เนี่เหตุเนไรเลย วันห้าเขาเห็นเหาเนี่เขาโอดว่าได้แต่เห่ามาู้ช่างงานเขาแล้กว่าอ่เพิ่นเพิ่นก็ได้ไปเพิ่นก็ได้ไปแล้วก็เข้ากับว่านี่มันนี่วากยอี่นี่ว่าเยมาๆแกงหัวบวมาอย่างหัวบวมาายาดอกอ่องยาดอกอันนี้ไม่ทราบพบมาโรคฮะกรท่านว่าเฮงกันนะฮะว้า เือนไม่ทราบพ่อมาโลกเรีขานอยไนมะ่ทราบพ่อมโลกเขาม้ตังไหนยังไยืนค้าเดียวอาปากกินลมนองขวกนออ น, น้นามข้านกินอาหารนะ่นหรือออกอาหารซิกะโป๊กินนะ่นซิกลลาบอกป้าขึ้นข้านกินแ็บ น, นี้เลยท่นข้านกินอุจจาะก็ได้เลยท่นงอวน่อ ย, อยมันท้ายออกของหง่อยไม่กดมัน ท้านไปขากินก็ได้เพราะฉะนั้นนี่เราวิชาพ่อมาโลกกขาน่อยเลยเพราเขางมูโตสมภียาสาระสรรพคุณยากเลยเราะั้นเก็ดเพ่อเพียงมาเหลืองใสพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดทื่เวทีซือเราได้วิชาพ่อมาโลกเลยเพาะฉะนนราบอกเขาสำหรับครูิจารณ์นะง่ายไปนี้ของเฮ้าเพาะฉะนั้นขอมูโตสัมภียาเสร็จพาะนั้นเกดเลืองใสพ้นมาบวชต้เกดเกือบบวเออตัวไ ตัวเกี่ยววานอัจฉรยจริงเธได้อัีวานมตัวห้อวาร้ายกันมีเข้า้อยูกุเดียวอกมากเลยบออ้ไปปุ๊บปุุ๊ปุปุุุผู้ชายจเนาะรับผัวแห่ันว่าสมัุบวุบตัวทุกลปุุ๊ป๊บชุบปุุ๊อ่าบอ่า โอปรระะชชุุกกปปฏิวัติข้าพุทธศาสนาบางต้นสอนในธรรมะอย่างที่อย voilà eh ู่ในสั้สุซอกเมื่อหาโปกษระซับไปมากแล้วไอ้เรื่องกินเร่องใสเรื่องขาน แล้วครับพวกกษัตรพ์ได้มาโดยทางเท่าแล้วเรื่องตัวมานาบิดาบุตรภรยาบบาเข้าเป็นถูเรื่องเรื่องเกทุกข์ุ้งินเป็นจุมัมบัดอันตราที่เกิดแต่เงินต่างๆกอยาทิฏฐิหลวกอญาติขอพิธีที่ตอนนับแผลวัตรพิรุธิสมุนหุธในผู้ตายราชพิีสวายเป็นหลวงเสียค่าควนเป็นต้นเทวตาปีสมหนที่ในเทวนาเมริจากทางในสมาทานผู้บุตรชอบ คำสอนอนไรๆในแต่โลกธางมันเลื่อนคำสอนในพระไตรปิฎไปมันจะนิ่สอนมดือนอยูเนี่ยเป็นเรื่องคือคำสอนในพระไรปิกของมดเองสำรับเขานั่นไ่ได้รับปานี้นะว่าให้มโตฟังอยากให้มดโตเข้าใจคือสำเับเข้าพี่่าทุกแน่เดียวเอาพี่พี่นะนนี้กังแม่เดียวพอเขาลงมาใจเขาออกชอบพิวาพี่อันนี้เห็นอันนี้กังขณะชิดเดียวก็เห็นโลกรอบนึ่งอะโลกเก็ดาเลยอนี้จังมดโตองสัยเลย เห็นทุกข์ขาดชินึงเห็นโลกรอบหนึงโลกถึงันเ่กองทุกข์เป็นอานาตตาขณะดชิ้นหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกถึงนเิทุกข์ทั้งยัจังอานาตตาเต็มไปด้วยหนักไร่มมนสังขารก็เพราะโลกั้างปวงย่ลงมาในสังขารโลกสังขารปพมานทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งโลกเป็นทุกข์อย่างยิ่งอันนี้จังมันทุกข์อย่างยิ่งชาติพบเป็นทุกข์อย่างยิ่งสิ่งที่มีวิญญาณแล้วมันมีวิญญาณมันทุกข์อย่างยิ่ง เขาบอกข้าว่วานหน an um. ้าไหนเดี๋ยว่าเขาโมตุเนี่ยแปลว่าวโหหันโหหันแปลว่าหานลงเดียว <Okay. S 2> ่าลบลงนี่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นเจโยธรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นจมองน่ายขอแก่ในทางวุฒิธรรมอะไรสำชาพ่ใจรักไคร่ในกรรมฐานในปัจจุบันรักใค่ในพุทโธยกพรทอรวิทย์เครื่องมันประกอบในพุทโธ จิตตะเอาใจกขาไปแม่พ่อหน้าขูงโทวมีมั่งสามันที่ตอบใา้แกหน้าแม่ผูโทรในปัิบัตรตัวลงผู้ โ, โ, โทว์ัรโมุนัรมโกอยู่อันเดียวกันในปัจิบัตกป้อบกันป้องพระคือสำกำลังห้าอย่างคือกันหนึ่งักดากความเชือ่อเชื่อในพระพุทธพปธรรมพระสระงฆ์สองอออระยความเพียรเพียรในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียรลับาเพ็ยบุญ ติควมนเลอกได้แล้วในช่างพ่ธีใน่างมองคุทพธประส์ในท่างสมาธิอ่างที่เรียโดยบริสุทธิ์สมาธิควบตั้งใจมันในกรรมฐานที่ตั้างไว้วันหน้าควบรู้ในกรรมฐานที่สร้างไว้ยกลมมันยกอันเดียวมันเปื้อนเสืีเกี่ยวหาเกี่ยวเขียนหาเข้าไปเสื้บหาเกี่ยวเจอ๊ยบใส่เไปเสื้อแส่เกี่ยวเจีนยบสองว่ายืดเกียใส่สองมยืดเกี่ยวลงอันนั้นแปดมือที่พระธรรมมาขันกับ เป็นแปดเมือนที่ถ้ามาสัเกี่ยวลงวันเดียวกันกับในปัจจุบันขันขาพริกกันหน้าดินดินยัง น, นี่เ้าพริกกันหน้าน้ำา้อยังสี่นี่ข้าสือี่หน้าหน้าไฟไฟยังสี่นี้เ้าพริกหน้าร่มร่มยังสี่นี่ข้าพริก่างหน้าคุดพอคุณแม่คุณพอคุณแย่ยังส่นี่คุณข้าพริกนหน้าคุดสัมสงคุดสัมสงยังสืนนนงส่นี่โบแมนนะมันมีความการวัดในขณะเดียวเป็นคณะที่ทำาเห็นคือ ท่ามไฟเกิดไฟรับก็ม ah ่ดในปัจจุบันท่ามไ่าเกิดไฟรับก็ไม่ในปัจจุบันห้องนี่พี่ก็น้าฟองทุกเนื้อเขาจะออไปพันิพมานนํามตทุกรังอะไรจังอะไต่างเขาจะเอกไปพันิพ้านนุ่มตโรคเขาจะเอาไปพันิพผานนุ่มตัวแก้เก็บตายเขาจะออกไปพันิพมานนุ่มตัวโรคเกิดแก้เก็บตายเขาเอาไปพันิพานนั่นตัวเขาบอได้เอาไปเอาพีกน่าห้ยไเป็นพวกลงของห้องคือเขาจะสิ้่าได้ล้มาเกิดมาแก้มาเก็มาตายอันนี้ ที่กันหน้าแก่พ่อน้นองจะฟังซือว่ได้เอาไปน่งยตดก็ว่าได้เอาไปนันน่งสินข้ญญาราชการปโยลงได้เกยใจวันเดียวถ้าบแล้วขอยุตใจทาหวาดแล้วขอยุใจนะเราเป็นผู้รับเหตุรับผลเนี่ยใจทำางช่างตึงก็เป็นช่างเดินหัวโซ่นเยอากําช่างติดก็เป็นทางลอโซ่มรรคเพาเว่าใจเข้าใจระหว่างน้อืมทาผิดร้ายก็องโซมรหคบอกง่ายว่ามหาวิทยลยน คนทับ wow. ถือไว้พุดเหระเขาพ magic, ูมันไม่คว่ำมนหระพระอรหันต์ตายแล้วน่องค์ใจไปนําบ่บ่บ่ได้ออกไปนพระอรหันต์พ่หนตตายน่ใจใส่ใจยุบแต่ใจมันวมีนวาเลยาพระอรหันต์พระอรหันต์่ได้ระวังใจวะไม่ได้ระวังเพราะมันวุ่นวาทุกชนก็บ่ระวังลูกมันก็บว่าไปถ้าโกมันก็บว่าไปถ้าหลงมันก็บว่าไปถ้าว่ามานมันก็ลาแล้วมันเห็นเราไม่ไม่ผ่อนหย่อนอะไรกับว่าไป ก็อยู่วสบายคนแต่พระอรหันต์เขยมารักษายใจู่นพระอรหันต์เขเป็นทุกข์สิเกิดเป็นคือคนคุ้มๆนะทวดเนี่ยย่ามันรักนี้วันเถอะเบียดื้นพ่อแม่หมดหบือประเดีมันยากกับพื้นเยี่ยงว่าอ่าทำธรรมะสั่งสูงันสิลุ์ศิล้นเน่ะเข้ากลั่ได้วออกมาแล้วมึงนี่มึงนี่สีรอกเข้าข้อหน้าทุกขังอันนี้จะหาตาบางทีก็ ไม่ใส่เหลาไม่ใส่ของเรลาฝ่อบอบลมให้ใส่เขาออกนิตยกรองทุกในโลกนี่ไม่ต้องปอไปเลยนิตยกรองทุกถ้าคิดไงว่าจักรองทุกจะยังมายืดมาถือว่าเป็นเหล้าแตเขาเป็นท่เป็นบุกค้นน่ครับที่จะนัางฝ่อบอบรมให้ใส่เขาออกนันรับแพ้ไปเป็นนิตย์ชาของเราไปจำบ้านมันกับบัตรสงสัยในโลกอันนี้ไม่ได้สงสัยในโลกอดีถ้ากับบรสงสัยทีสามม่อเขาเอาไปฆ่าเลยนิตยกรองทุกเป็นยังเป็นทุก ข้าวกระจายเมือเพราะว่าทราบยังไม่ไปทุบเพระนั้นนะว่าจังข้าวตอบท่นอีกทีว่าข้าวตอบพี่ตัวหนึ่งนั่นหลวงปู่เมื่อนส่กินเขาเขายังหลวงปู่อยู่งจัดบอกเอาคุณได้ใส่บาตรให้ยาทั้งขันเขาขันเขาใส่บาทไทกสมมติว่าไม่กินขันเขาเพราใส่ให้ก็บสมมติว่าได้กินขันได้กินแล้วครับสมมติว่าขี่ะท่านั้นข้าวตอเท่านอีว่าข้าวตอบพี่ตัว คิดจะไหนกินแค่ว่าเป็นชีวิตตัวอฮะอ๋อเนี่ยเ้องก็ไม่คิดเลยหลายที่แต่ว่ <g ül> <c oughs> าห้อ ง, องนํเาเปถึงมไม่าทาไเล่ห้องนําได้เยอะนับดดเม็ดแดบเม็ดลมเม็ดฝนห้องนได้ยอะอันนีนนนนนน้ตั ว, ตวห้องิเลุดโตมูโตน้หลาหห้อ ง, งหลายกว่า วิทยอทองผมก็รับรองห้องเป็นพระน้าวห้องนับได้ได้เลยนับเป็นหินไม่ใช่ห้องนับได้อยู่เพราะว่าอันพนว่าภาษาริบุตรนับเป็นหินไม่ใ่ในสอบมหาสมุทรได้น้ำไม่เดืไม่ร่มไม่สนก็ได้เพาว่าภะษารบุตร้าเ็นน้ได้แต่ว่าห้องไม่เกิดอะไก็พจน์น้ำไหลคนโตถิ่นห้องนับได้ห้องน้ำตรงไหนกน้นับในภาษาไทยเนาะ นับเม็ดทิ้งมาใช่เนาะแจ็คขอจ็คอได้ทาบดินเนาะนึ่งดินเนาเะว่าอว่างไรอเอออันนี้มัดนับนับน้ามันเนี่ฝนตกจะใช้ถอดได้นับได้บ่ือว่าไนับได้แล้วนน้ำบอว่าไงอ่ะเนี่มันนับเออลมพัดจะใช้ตของแจ็ตัวนับได้บอกว่านึ่งลมนักหยลงน่นับทั้งหยดนี่ทั้งตัวโอเล็นึ่งม ไฟมันอบความอบอุ่นมันห่อนมันไม่ร้ายกันใดมันมีตัวไจรอท่านหนึ่งไฟกว่าถ่านนำนับเป็นหนึ่งได้ห่อนี่นับถึงลานถึงปวดก็นับถึงเป็นหนึ่งไฟเดื่อยในห้องเ่าคนก็คิดเรื่อเใาอนับได้อยู่นั่นแล้วนับกันเอาห้านี่คำท้า้าษาลิบุนับถึงอสงไข่เท่านับได้อันได้ตัรัดนเมื่อเดียวือทำใชไปเป็นกมการนาฟันห like ันหนึสอสที่หเแเไปง ผู้เป็นกรรมการไปนั่งฟังกับพี่บาคุรับกับพี่บาหรือเนล่าไม่รูนเนี่ยเออแล้วไงคุณตะคุนคำถามว่าวิญญาณไม่จริงไหมวิญญาณวิญญาณไม่จริงไหมสอบถามคือตอบยังไงให้ตัวตอบตัวตะคนอันตวคนตลาดเอาให้ตัวตอบตอบยังไงตอบยังไงวิญญาณไม่จริงไม่ ตอบไม่จริงดูอันนี้ดูเกี่ยวหนึ่งคถามห้าวห้าวจะตอบวิธีได้พูดถามเก่ามโนวินญาณถามพูดตอบขอมโนวินญาณตอบมันพิบัติถามกันพิบัติตอบกันห้าวสุดๆจริงๆนี่เกิดแก้เก็บตายพิบอตายแล้วเกิดป้อสั่งถามตายแล้วสู้หรือตายแล้วเกิดแล้วสั่ง กับผู้ถามก็เอาควาเกิดค่ามตายมาถามผู้ตบกับาเกิดคาตายมาตอบกับพตต่อพันถันยกันเาิวันแมนว่าสนันนีอ้ตเอาปฏวัติมนานว่าท่นกำลเสี่ยงสงสัยแล้วสูไปวัดมันได้ยังนะท่น้างข้ามงค์ตัวที่ตอตรงไหนะน เดี to ๋ยวบุญบุญมันเป็ตัวยังไงเออถ้าถือยุคเป็นตัวขี้ใจมันตัวข้ข้นนั่นเนี่ยอเท้าเหยีบาบ้านขางวอขากล้วยนะบาเป็นเปนตัวนกับเป็นตัวทะขคนจ้นเป็นผู้ขาแม่บ่บ่องสัตว์าหัน คือโกรธน้อมันรวบมันรวบเืนนิ้วมัน่ะเสนกระตับเส้นต้องนใ่คใจบำนาจที่กระตังมันต้องน่ใจปัญญาเอบหลบูใจพุทโธ่กับแปผู้ลูกใจละบาปบำรเทนบุญถ้โม่กับประทรงไหวถึงละบาปบําเทนบุญในใจสังโฆกับแปรพระปฏิบัติละบาปบําเทนบุญยื้นใจตโลกพุทโธ่ถ้าโม่สังโฆยื้อนการมัดคือเฮ้าบอกกันนี่แหะ เคยเห็นหน้าพี่อายนก็นเคยเห็นเงี้ยอันนี้ว่ า, าอักษรหยอเอดิก็เห็นหนาก็เห็นตาเฮก็เลยเห็นดังเฮ้ ก, กันเนหะม่นบอเขาบอกวา่าเขาบอกอักษรหยอเดิเ้า่าผูทเขานึกถึงผู ท, ท้าโม่ทโกเขาย่าหันะนีเข้ากลงหนังทีว่าเขาถือถืหนังจะโ ง, ง่ตายกถือเนื้อถือกระดูกถือกันเหมือนกันกนั่นเข้าใจไปยังสั่นเทาพุทธเจ้าบสอนใ่สั่นบอสเนโง่สันได้สล ควบสลาดเป็นหน้านาทุกทั้งในทั้งทั้งโลกทั้งทั้งเป็นหน้านาทุกทั้งควบสลาดนะควบสลัดด้วยเนื้อโคงโง่ไปแก่โคงโงมันมันไปหาเสียงมาจะใช้ ส, สน่ในโลกนี่เต็มไปด้วยคือแก้ก็ตายควมอมาเมเียงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเลยัเห็นก็ตัดพรมเขาล้มหใจเขาออกแล้วมาตัวมาไหนฮันนะมันก็รุดพนจาควบน้มจากฮ้องไปที่เราสังให้ทำโดยฮัน กัดกูบ่อเศ้ากเกือกันแนดินมันกระซุ่มอยู่ทั้งในที่สันเขาเขาว่าน่าประจําวันเนี่ยเามนปะจํามันอยู่กบุดเนาะเขาว่าใจสิย่ตําเกามม่กระสูงขึ้นในใจนี่ตัําสูงทังเอินมาสาคัญอันจิตใจตั้มสูงสาคัญนําลงในบาศี่สามัญสูงขึ้นในบนแต่สาคั้เนาะสาคัญไปทังดีอันนึงสามัญนทังตัวคนเท่าใจถึงคือคนแมนนะ แมงฟูแมงเฟืองใจตรงทั้งกินเกี่ยวตอนเดียวใหม่แม่นบ่แมวันใจถึงทั้งกินมูดกินกูดแม่นบ่มันก็ว่าพระที่ิปไตยมันแม่นบ่มันก็ว่าคนมูม่าลาไปแม่นว่ะมันก็ว่าสังคมนิยมแม่นบ่แมงูเฟืองก็ว่าสังคมนิยมแม่นว่ฮน่ถ้าจะเอาสังคมนิยมอะไระเอาสังคมนิยมเละบุรุษถ้าเอานิยมสังคมยมเว้นันนี้เอาคุณรบกใจถึงทั้งเละอันี้ พูดพวกใหญ่ๆทั้งทั้งโเลนอ่า น, นัาู่ใหทั้งทั้งเลนกับทั้นนงโเลนนั่นพูดไดมีเงิอนยุตตางกันนั่นนี่ยพูดนนีเงืนก็ผููเลนเลขให้แม่นบอกู้เลนเลก น, น, น, นี่มีเงินอนยุลานึงสี่สามารถที่ไปขีขาคาเนเมื่อคืนนีก็ได้แม่มนบอกนะตัวมดจักลาหรือจะเลนมาเนี่นั่ น, นะตัวลาามัน คนเ้ามมันถือข้คตัวห้ามยัดไปบนบานตัวจะเขีนโชคดีปะตัวจะเข็นโชคดีปะดวงดีปะห้าเฮ็ดดีมันก็ได้ดวงดีเ้าเฮ็ดเพิ่มไปห้องหาดวงดีเจ้ามันก็บเห็นอ่ะโอ้ยคพข้าดวงดีเนี้เอาขาใช่ว่าขวอะไสี่สิดวงดีนี่ไม่งรอเะดวงดีดวงซ่อมมันก็เยอะดวงไม่ใจห้ามหรือคบกคือเทานนั่ง ขันต่ำแล้วคนของกัมมงนี้เขากับพุทธาสนพุทธศาสนาพอพุทธศาสนาเนี่ยอุปมาคือเป็นของกลางนี่เขาเอาไปใส่กับพรพิดมัคือแนวอื่นแนวอื่นนี่คนทุกเอาอาไปใส่กับมัคือก็มีคนมีคนห่างคนนี่ไปนุกผ่ากขากับกับวตถุอีกแบส่วนพุทธศาสนาพุทธเอาไปใส่พพิด ว่าคนสั่งต่ำสั pues. train, <S <s ่งสูงอยู่ของใหม่อยู่ของเก่าแล้วกับใหม่อยู่เปิดย่ำไรใส่ย่างคำนั้นนำอบนำหอมก็เปิดย่ำไรใส่ย่งหอมอยู่ว่าท่นเราเลี้ยงพระเทพบัตรแล้วเลี่ยงพระเทพบัตรแล้วพูดมาหาให้เขาเอาเรื่องบ่ดีว่ามาคิดสบัดนี่ยังไงท่านขีที่เปิดย่ำไรมันก็เหม็นย่ำนั่นแหะว่าท่านเม็นบ่สัส ว อ, อ, อนยบดีเปิั ง, งเปิเิม่ออกเนี่ยจะตัวว่าอันเนี่ยพดีเพาะท่นเปิดจ้งได้มันกับไมนย้ำได้่ะคีเพราะท่านเพรว่ามันกับมันดีห น, นึงเพราะทางเราูกือรานรําค่าควมดีมันกับเป็นเหตุให้เดีเอาเป็นอาจารย์นี่ควมัวเป็นเหตุให้ห้าวดีอ า, อาจารย์ทางละแมนบคนห้าบุพการณท้งีทั้งตัวมันจะเป็นคนตลาดยังไง ว่าท่าวาพานเกิดแก่เก็บตายสะพอนเถสพอนเลาอย่างไอุปสรรคปัญญาวิเศษตัวมันเป็นเหตุให้นักปราดเบื่อหนายว่าตาสงสารตัวนักแน่นมาเออเกิดใม้โรคได้รับส่เชื้อปอดโตรือับเป็นวางข้างชนะหรรับยานไหนออรับโคกสูบหรือรักินนอนน้อนนเมี่ยบก Hey. อันนี้ลูกเกิดมาพ่อหายกินอ้อมขี้ไฝ่ใช่ปะนั่งเป็นอันหนึ่งว่าเป็นม่าจ้าคันนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าี่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮิาฮ่าฮาฮ่าขนมให้ฮาฮา่า่าาแล้ว่าฮฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่บ่า่าฮ่น่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ ห้อมีวัแทงไหมคำว่ามันไม่สุขคือทอไมางาครางเียพระนี่ไอ้เจ้าเพิ่งกพ่ น, พนจากสุขไปบุหรี่เพราะวิญญานเิาจะไปิตยั่หนมันม่ไม่สุขจังเลยข้าวสารคาราบปามาทุกขาสังข า, าราขาขาเป็นทุกข์ยิ่งยิ่งโลกเนทุกข์ย่างยิ่งกันกกเดียวกันเพราะทหาเห็นโลกทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันม้อย่กองทุกข์เพราะไม่ง่าครางเีเลยเหตนสั่ท่านจึงเบื่อในโลกได้วิญญาของท่านท่านจะโมยินงนีแล้วโลกทั้งปวงแบบเย็นเยน บอกมันบ่มิยินดีเนี่ยหลวงทังปวงแต่ผูกข้อตายว่าแม่เนี่ยอันนั้นตกโกรดเน่ะมันมันสิมากผูกข้อตายอีกรุ่นไม่ได้อันนั้นคอยใจวะเนี่ยนั่นมันบอม่สุขจังมาไหนหลกอนี้ยคำนี้ไม่สูงก็มาไหนวันนึงคนกับคนไปบ่ได้ท่านก็อยู่ในหลวงนะครับว่าสัตว้ว่าอันนี้คนว่าแต่งสั้นนั้นเข้าไม่ใด้เลยนะให้ตะวันออกนอกนี้เนาะฮรสูตรนะครับก่อนเนฮะ ก็ต้องกลับก่อนอ๋อพระองค์เข้าใจเรอกลับก่อนออกกรังกายฮับรถดใจกลับก่อนที่พูดอยู่อย่างนี้เขาใจไหมล่ะก็ทํามไม่ไม่รู้ภาษาอักฤใช่ไหมภาษาแล้วการขมปะขาแปลว่าลูกย่อลูกย่อในสิ่งที่ทาถูกเออทาอย่างนี้ละเรียกว่านิ่เรียกว่าปะข่ เออทำอย่างนี้มันผิดเรียกว่า น, นิพพานจ้องลงโทษตา ม, ามโทรสารลงโทษถ้าอย่างนั้นก็ปกครองทำ ไ, ได้โทษปารารชิพจะไปปรับเป็นอาบัติสังฆาทิเศษก็ไม่ถูกโทษอาบัติสังฆาทิเศษจะไปปรับเป็นป ร, ปนป ร, ปนปราชิพก็ไม่ถูกโทษน้อยจะไปเท่าโทษมากก็ไม่ถูกโทษมากจะเป็นพวกโทษน้อก็ไม่ถูกเป็นผู้วิพากษาหรือวิพากษาคดีที่นี่จะเล่าให้ท่านไ้ฟัง เขาโมกะลาขึ้นไปปูเขาคิสจูดไปเห็นมาาสองปากเป็ดมาาสองปากพระโมกะลาคอาเลยยิ้มเลเนี่ยรรบผี่รู้ทั้งหลายพระพู้เปเจ้ายิ้มอะไรครับ พูดไม่ได้ลงไปถึงพระธมาละพระพุทธเจ้าทีงพูดพูดได้พราเธอก็ไม่เชื่อที่ไปเห็นมาสองปากแล้วก็ไปเห็นเด็กเอ่อไปเห็นเปรตตัวหนึง่งมีหลักฝังอยู่ที่หัวไปไปไกวามาตรงเตียงตรงเตียงล่อขวาง พูดแต่เฉพาะเรื่องเประหยัดตัวหนึ่งก็<น>มีมือยาว12ยอดยอดห <c oughs> นึ่ง400เส้น12คือว่า 484,800 เส้นถูกไหมลงไปพอถึงพบวมราชาาัีดาเขาประกาศทูลมาที่ชูธมาลยฟังเปรตที่มี หลักฝังอยู่ที่หัวนี่มันมีบุปผกรรมอะไรอ่ามันมีไหมพระองค์มีไม่มีเธอเห็นลงมาจากผูเขาคิดจะกูดเดี๋ยวนี้นะเธอมาแกล้งถามก็ให้พวกนี้เชื่อเธอเพราะพวกข้าเธอจะพูดอูกข้างอยู่ที่กับที่นะพวกพวกนี้จะไม่เชื่อเธอพวกพวกนี้ไม่ใช่ตาทิพย์เธอเป็นคนตามที่คนเดียวไปกับพวกนี้พวกพระองค์นี่จะไม่เชื่อเหียการณเธอจึงมาถามต่อหน้าเราจะสาบกดดูจากหมด พราะเคยไปถอนหลักฝังเศษไร่เศษนาของเขาตาอะไรตนกนรกออกจากนรกออกมาเป็นเปรต เ, เทอเนี่ทีนี่เปรตเสอยปากเทอเนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นทานายความมันกินทันท้งโสดทั้งจำเลยด้วยมันก็ตนกนรกนับ